ต้องศึกษาต้องปฏิบัติชีวิตของคนเรามันมีสมองที่ทำความชั่วได้ถึงที่สุดและทำความดีได้ถึงที่สุดทั้งโลกนี้และโลกหน้าวิธีที่ทำความดีพระพุทธเจ้าก็ทร ง, งสอนเอาไว้ สิ่งที่ทำให้เกิดความชั่วเพื่อให้งดให้เว้นพระพุทธเจ้าพระทร ง, งสอนเอาไว้ทำธรรมบุญกิริยาที่เกิดบุญหาได้ไม่ยากทานน้ำไมการให้ทานวัตถุทานทานด้วยวัตถุสิ่งของเท้าน้ำโภชนาะอาหาร เรื่อน้องมที่อยอาศัยยารักษาโรควัตถุวัต ถ, ถุทั้งหลายนั่นในวัานธรรมใหม่แล้วก็อภัยาทานทาน้วยความให้อภัยกันและกันให้อภัยต่อทุกสิ่งทุกอย่างไม่ถือโทษโกรธเครเรียกว่าอาภัยทานให้มีอยู่ในชีวิตจิตใจของเราอย่าให้ขาดแคลน ในเรือว่าในสิ่งที่เราจะทำทานมีเยอะแยะพยาทานธรรมทานธรรมทานก็คือการบอกการสอนการบอกความจริงการบอกความไม่จริงสิ่งไหนที่ทำให้เกิดทุกข์เกิดโทษบอกกันสิ่งไหนที่ทำให้เกิดประโยชน์บอกกันเลือกที่รักมากที่ชัง เราธรรมาทานเฮวยวัจจะไมการรับใช้งานพระศาสนาเป็นกิจกรรมต่างๆช่วยงานช่วยการอันทำจะทำให้เกิดความดีเป็นเป็นทายกทายิกาดูแลทุระอันเป็นกิจวัตรของสงฆ์ รับใช้ปฏิทานุโมทนามัยการอนุโมทน า, าอนุโมทนามัยการอนุโมทนากับความดีของคนอื่นกับการกระทาดีของคนอื่นกับกับการกระทาดีของเราด้วยให้อนุโมทนา ย, ยินดีย คงร่ายคามดีให้สม่ำเสมอเราทำดีได้นิดๆหน่อยก็ยินดีคนอื่นทำดีได้นิดๆหน่อยก็ย็นดีคนอื่นทำดีได้มากก็ยินดีมีจิตใจเป็นส่วนร่วมไม่ต้องยินเสียงคล่องาาเวลาพระเร่คล่องทำวัดเชา้าทำวันเย็นสาธุในใจอยู่นอนอยู่กับที่นอนก็ได้ไม่เป็นไร เรียกว่าอานอัโมธนาอานุอัตโมธนาไ ม, ามายแล้วก็การฟังเทศฟังธรรมจะเป็นก็เป็นบุญผู้ที่เทศผู้ที่แสดงธรรมก็เป็นบุญสมมาเทศนาไมาย การทำความเห็นให้ถูกต้องให้เกิดสมาธิิ<ๆ>เห็นผิดเป็นผิดเห็นถูกเป็นถูกตรนนี้เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดบุญหลังที่เราทำบุญในการต่างๆมันก็เป็นแบบอย่างที่ทำบุญแล้วเกิดสำเร็จได้ความดีเช่นเมื่อวานนี้เอาบุญเข้าก็จะสาด ถ้ามีชาดกฟ่าวิว่ามีหญิงคนหนึ่งเป้านาเป็นคนรับใช้เป้านาให้เศรษฐีก็อยู่กับนาไม่แต่ข้าวเปลือกอยู่ในทร่งในช้างไม่แต่ข้าวเปลือกอยู่ในทุ่งนาก็เลยคิดจะไม่มีอะไรจะกินก็เลยเอาข้าวเปลือกมาขั้ว พั้วเป็นข้าวสาลเป็นข้าวต อ, อกแปตรงคั้วแล้วก็ปัดเจ็บเอากากออกก็เอาใส่พกผ้าไปตักน้ำเวลานั้นในพระมาหากจัจะปะพระผู้ปฏิบัติทำในฌานเดินออกจากป่ามาเพื่อไปเป็นทบาท หญิงก็นะ่าคนนั้นก็ไม่เคยใส่บาตรสักทีก็เห็นพระก็เกิดศรัทธาแล้วก็ไม่เคยมีอะไรที่จะใส่บาตรก็คิดเทีนแต่ข้าวตกแตกที่ขั้วใส่พกผ้าไปก็เลยโอ้ไม่มีอะไรแต่ว่าศรัทธาอย่างแรงก็้าเลยเอาข้าวตกแตกนั้นใส่บาตรใส่บาตรแล้วก็ยังคิดว่า เออพระคนเจ้าจะฉันให้หรือเปล่าเนาะเรอจะไปเที่ยงที่ไหนเนอะอะดรพ้าก็เลยฉันให้ก็เลยดีใจดีใจมากๆเห็นพระฉันข้าวตกแต่งใหใส่บาทให้เรียกว่าข้าวปริศษฐ์ในการนั่นเธอก็สิ้นชีวิตไป ไปไปเกิดเป็นเทวดาเรื่องบุญมันก็มีในการทำบุญหลายอย่างที่จะไม่เกิดบุญเยอะหาได้ไม่ยากไม่มีวัตถุอื่นใดก็เอากายภ า, า, าวนามัยศีลละมัยภาวนามัยแต่ว่าบุญนันสูงสุดที่จะทำให้เกิดทันหูทันตาเจอภาวนามัย การทำความดีการเจริญสติถ้าจะพูด่ึงคำสอนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ากจะทำความชั่วให้ทำแต่ความดีให้ทำจิตบริสุทธิ์เราจะไปละที่ไหนความชั่วเราไปจัดไปทำดีที่ไหนเราจะทำจิตให้บริสุทธิ์ได้อย่างไรนีในละการเจริญภาวนาการเจริญสติเนี่ยที่เราทำอยู่เนี่ย ที่เราทำอย่างนี้แหละมันครบทั้ง3อย่างเลยทีเดียวผู้ที่มีสติมันก็ละความชั่วผู้ที่มีสติมันก็ทำความดีผู้ที่มีสติกิดมันก็บริสุทธิ์อันนเรียกว่าการละความชั่วการทำความดีการทำกิตให้บริสุทธิ์การไม่ทำบาปทัำขวางก็อยู่ตรงนี้การทำกุศลให้สถึงพ่อมันก็อยู่ตรงนี้ การชำระจิตของตนในเผ่ารอดก็อยู่ตรงนี้เราจึงเผื่อเอาไว้เผื่อเผื่อเน้อตกไตถ้าเราไม่มีสติมันก็หลุดไปทำความชั่วได้เพราะไม่มีสติเป็นเจ้าหลักไม่มีสติเป็นเจ้าเรือนทางตาทางหูทางจมงูกทางลิ้มทางกายทางจิตใจเราก็มีของเป็นโคกอาจจะลงไปไง่าย ทำชั่วได้ยังไงเหมือนคนทำผิดถึงกับเกิดทุกข์เกิดโทษถูกติดคุกติดตารางถูกจำนองจองจำ น, นั่นเพราะมันหลงนั่นแหละทอก็เช็ดได้แต่เมื่อมันทำไปแล้วแม้แต่เสียใจเกิดลาบก็ยังมีโทษติดคุกติดตารางพวกเปรดทั้งหลาย พวกก็ล้วจะโตไปทีวีพวกเปรตทั้งหลายเขาฟอในเรพว ก, พวกห ล, วกลงๆทั้งหลายพัดเข้าไปลบกวดจากเปรตของพระเจ้าพิมพิสารเปรตอะไรเยอะแยะไปหมดเลยเราอุปกรณ์คลงอยู่รอบบ้านรอบวังรอบเมือ ง, งพระเจ้าพิมพิสารจึงต้องทให้เป็นการเป็นเวลาคเพื่อให้เรพวกในพเวรพกรรมคนที่ทำชั่วในโลกปัจจุบันนี้ บางทีก็บางคนก็อาจจะไก่ตองก็จะทำความชั่วคิดแต่ทำความชั่วแต่บางคนไม่ได้ไก่ตองเกิด ค, ความหลงเกิดขึ้นชั่วครัง้งชั่วคราวก็ทำชั่วลงไปก็มีแต่ว่าบาปก็เป็นบาปผู้ที่ไม่ทำบาปเลยก็มไม่ต้องไปติดคุกติดตารางไม่ต้องไปเป็นเฟรชไม่ต้องรอสนบนส่วนกับสนทำความดี บางทีเราจะไปรอฟุ้กุ่นสให้คนอื่นทำให้มันลมลมแรงๆบางคนทงกับแยกทรัพย์มรดกไว้เป็นเบี้ยเผาผีสั่งลูกสั่งเต้าให้ทำบุญให้เวลาตายไปแล้วขายนาแปลงนั่นขายเท่แปลงนีม้มาทำบุญให้สั่งลูกสั่งเต้ามันลมๆมแรงๆ การที่จะทาบุญที่จะได้ผลมันต้องตัวเราเองก่อนมันจึงมั่นคงมันจึงเกิดความมั่นคงไปหวังให้คนอื่นทำให้เหมือนคนติดพุกติดตารางไปรอให้ญาติประกันออกมาหลักทรัพย์ประกันออกมาต้องเสียเงินเสียทองทำไมเราไม่ต้องไปติดพุกติดตารางพอเรารู้การทําบุญก็เหมือนกัน เราจะต้องไปเป็นบาปทำไมมันเป็นทุกข์จะไปโกรธทำไมนี่จะไปหลงทำไมนี่จะไปทุกข์ทำไมนี่เราจะต้องฝีมือเราจะต้องมีฝีมือนะ <c oughs> เราจะต้องมีฝีมือในทางนี่เราก็ทำได้ด้วยมันก็เห็นกันจ้องๆ อ, อยู่คว <c oughs> ามทุกข์มันเกิดขึ้นมาให้เราเห็นอยู่ความหลงก็เกิดขึ้นมาให้เราเห็นอยู่ ตอนที่จะมันจะไปติดคุกติดตารางก่อนที่มันไปเจ็ดเป็นเปรตเป็ น, ปนรา่นรากายกอนที่จะเป็นสัตว์โลกมันต้องหลงตรงนี้ก่อนถ้าจะเปรียบเทียบกันมันทําได้อยู่เราจึงต้องอ่พึ่งตัวเองให้มากๆอย่าไปรอลูกรอหลานรอญาติทำบุญอุทิศให้มันหลงัลงลมๆแรง ไม่มันคงเหมือนกับเราทำให้เราได้เห็นแล้วก็มีด้วยทาได้ด้วยทำบุญทาได้ด้วยทำบาปละได้แล้วทำบุญทำได้แล้ ว, ลวมีกุศลแล้วฉลาดพวกเก่าอะไรที่ทะให้โง่หล ง, งง่ายเป็นทุกข์ฉลาดมากออกหน้าออกต า, มาเมืเอ่อปฏิบัติธรรมเนี่ยภาวนาเนี่ยเป็น เป็นการแสวงหาบุญอันสูงสุดเป็นการแสวงหาบุญที่เป็นหลักแหล่งฉะนั้นก่อนไปหาเงินในแหล่งเงินอย่างกรุงเทพเมืองหลวงแหล่งเงินแหล่งทองอยู่ที่นีนแหล่งที่ทําให้เกิดบุญคือภาวนาแล้วมันอยู่ที่ไหนมันก็อยู่ที่เราภาวนาคือขยันรู้ถ้าไม่รู้มันจะลงนะ เราก็มีเท่านี้เราก็ตั้งอยู่ตรงนี้กันเ อ, เอาใจใส่ตรงนี้กันจนมันชำเน็จชำนานมันก็จะเห็นความหลงเราก็ทำได้ทำความหลงให้เป็นความรู้ได้ถ้าเราฝึกสติเราภาวนาเรามีความรู้สึกตัวตั้งไว้ตั้งไว้แม่ สิ่งที่ทำได้อย่างเน้นนั้นควรที่จะทำอย่าไปให้รอแล้วสิ่งที่ทำไม่ได้ไปทำเช่นอยากกลัวบาปแล้วก็ไม่ค่อยละความชั่วไม่ทำบางทีมันเกิดความชั่วเกิดความทุกข์เกิดเกนเกิดความหลงเกิดขึ้นไม่ทำเพิอเฉยเลยละหลงแล้วหลงอีกอันนี้มันก็ ทิ่งกว้างไปทิ่งทท้ ง, ท ง, ทงว่างกว้างมันก็หาได้จากสิ่งเราเนี่ยแหละบุญหาได้จากสิ่งที่บรนผิดทำให้มันถูกหาได้จากสิ่งที่บรรทุกทำให้มันไม่ทุกหาได้จากสิ่งที่มันหลงทำให้ไม่หลงบุญจะอยู่ตามยอดหญ้าหญ้าป่าคอกไม้แต่ไปหาไกลไกลกันไปชาดหน้าโบราณท่านว่า คนฉลาดฆ่าใกล้ๆคนใบ้ฆ่าไกลๆฆ่าขายคนฉลาดฆ่าใกล้คนใบ้ฆ่าไกลยาแสวงหาบุญนอกศาสนาจงแสวงหาบนแต่ในศาสนาแสวงหาบุน น, บนอกศาสนาคือนอกกายนอกใจเราจะไปตกนโลกมุกไฟก็คือกายคืใจจะไปเป็นสวรรค์จะไปถึงสวรรค์ในพานก็คือเรื่องของกายของใจเรา มันก็อยู่กับเราคนฉลาดต้องดูแลตรงนี้ซสันทำตรงนี้้มันดีลองทาตรงนี้มันดีดูสิมันก็เกิดบุญจริงๆริจากการกระทาของเราคนอื่นก็เป็นสุขจากการกระทาของเราคนอื่นก็เป็นทุกข์นี่มันก็เห็นถึงขนาดนี้แล้วเราจะต้องไปหากันที่ไหนนอกศาสนาคือนอกกายนอกใจของเรา บุญนอกกายนอกใจบุญคือความสุขบุญคือความดีบุญคือความอิ่มบุญคือความเต็มเต็มไปด้วยความดีไม่ขาดไม่แคลนไม่เหดไม่แห้งมั่งมีนะแสดงออกทางกายก็เป็นบุญกายสุดเกิแสดงออกทางวาจาก็เป็นบุญวาจีสุดเกิแสดงออกทางใจก็เป็นบุญมโนสุดเิ ถ้าคนขาดแทนแล้วเนี่แสดงออกทางกายก็เป็นมโนโทุติลิตแสดงออกทางวาจาเป็นไวกีทุติลิตแสดงออกทางจิตใจก็เป็นมโนโทุติลิตคือความชั่วแล้วก็เป็นผลกระทบต่อคนอื่นสิ่งอื่นวัตถุอืน่นเป็นไปผลกระทบต่อโลกไปเลยเนื่องรอดไปเลยแล้วก็ลมมา ถ้าพวกเราอยูน่นี่มีคนชั่วเกิดขึ้นคนเดียวชอบลักชอบขอโมยพวกเราก็ลําบากต้องช่วยกันสร้างความดีให้ขึ้นให้เกิดให้มาขึ้นเสนอตัวเราก่อนตั้งต้นจากตัวเราให้ได้การทําบุญ น, นี่อย่าไปเกณฑการไปมมตถนในพรานไม่ใช่เป็นเรื่องเกณฑ์เป็นปัจเจกบุคคลเริ่มต้นจากตัวเรา เริ่มต้นจาตัวเราคนเสนอตัวเราคนอย่าอ้างโนนางนีการปฏิบัติธรรมการเจริญสติไม่ใช่เรื่องอ้างมีเวลาปฏิบัติทำไหมมีเวลาทุกเวลาหนาทีถ้าหายใจได้อยู่แสดงว่ามีเวลาเพิ่มเติมความรู้สึกตัวเข้าไปต้องใส่ใจสักหน่อยอใส่ใจสักหน่อย ของที่มีคุณค่าวางทีก็ต้องใส่ใจพอสมควรเช่นอาหารการกินของที่ไม่มีประโยชน์อาจจะแสดงถึงลดถึงชาติของที่เป็นประโยชน์ก็ถึงแม้ว่าจะขมก็กินลงไปสักหน่อยหวานเป็นลมขมเป็นยากินได้เดอ้อไม่เพี้ยนมากกลิน่นฝา เห็นว่าหมากเรียนฝาผักนอหมากแข้งขมว่ะนะเห็นไหมมันเป็นบำรันเป็นอาหารเป็นยาด้วยบำรงถุงน้ำดีจะไม่ได้เป็นนิ่ว <Jub> ถ <ilee> ุงน้ำดีถุงผมผมเขาก็เดาว่ะนะแ้งพระคิเล็กว่ะนะมันบวชแสบเลกินหลายแน่แ้งพรคิเล็กนะจะไปกินแต่ผัดแต่มันจะไปกินแต่ของปุงงๆ แยงพักกิเล็กอาจา ก, จากาเจ้าคณะอำเภอแจ้งข้อเน่ยเขารักษาโรคอ่ะที่เป็นโรคที่เป็นบวมเป็นปวดนะเขาก็เอาใบกิเล็กนะ่ยกลางแกกลางอ่อนเน่ยเอามาไว้ในโร่มเราก็มันแห้งแล้วก็ใส่ใส่ถุงน้อยๆเราก็ให้ต้มเป็นยาน้ำชา อันนี้เราไม่ต้องทำงานะเอาใบมาแจงเลยเอาดอกม า, มาแจงเลยนอนไม่หลับก็ลองแกงสักกิเลสกินชดน้ำใบอ่อนยอดอ่อนดอกกนะ็ขน่ดแจงนอนหลับสบายท้องโผล่ท้องอะไรอืดขนาดนะแกงสักกิเลสกินของบางทีของถ้ามันเป็นุลเป็นโทษเราก็ไปเป็นเป็นประโยชน์ ก็ไม่ใช่ไม่ค่อยชอบไปกินโนกไปกินแพพตี้เป็นซานต้าะไปไปกินอะไรไปโน่นแองกัสกินเล็กอ่าใ น, นั้น์ชีวิตของเราบางทีเนี่ยก็อย่าไปหาความสะดวกสบายกันให้สู้ความทุกข์ยากให้ทอละหดอดทนให้ทอละหดอดทน เาอดทด้ทนแล้วมันจะมีบารมีจะเข้มแข็งขันตีบารมีสู้ความทุกข์ยากยากอยาไปหาความสะดวกสบายคนที่เกียดท่ขั้นไม่ค่อยจะสู้อะไรทำอะไรก็ไม่ได้ต้องสู้สักต่อนนะมีพลังแห่งความสู้โดยเฉพาะถ้าเริ่มต้นจากความรู้สึกตัวนะ มักจะไปได้ดีแต่เริ่มต้นจาความหลงหลงตลอดวันหลงตลอดชั่วโมงหลงตลอดนาทีก็ทํานายไว้เลยผิดพลาดจะเพิ่มเติไปไม่ควรผิดเพราผิดไม่ควรพลาดกพราพลาดถ้าเรารู้จตัวเอาไว้ไหนมันจะเห็นเห็นสิ่งที่มันผิดชัดเจนเหมืกัคนพวกเรื่นตาก็าเห็นอะไรได้ชัดเจนกว่าคนที่ไม่เรื่นตา คนที่หลงก็ไม่เห็นความหลงหลงคนที่หลงก็ไม่เห็นความทุกข์คนที่หลงก็ไม่เห็นความโกรธคนที่หลงก็ไม่เห็นความหลงคนที่เห็นความหลงคือคนรู้สึตัวเพื่อการนี้เหตุเราชีวิตเพื่อการนี้โดยตรงไม่ใช่ความหลงจะก้าวกายชีวิตเราตลอดเวลาผ่านเข้าผ่านออกได้สบาย ถือว่าเป็นบ้านของเขาเลยเราก็ไม่ให้สิทธิของเราก็ทำให้เราเสียหายความหลงความทุกข์ก็ทำให้เราเสียหายความโกรธก็ทำให้เราเสียหายแล้วก็เราก็ทำผิดเสียด้วยถ้าลงความผิดก็เกิดการเสียหายเป็นผลกระทบหลายอย่างเหมืนกับบ้านเราจะให้โจนเท้าไรมาหยิบเอาโน่ น, นหยิบเอาอันนี้จะให้หมูให้หมามาทำสกปรกเลอเทอะอย่างนี้ แล้วเราจะมีชีวิตที่ว่าได้ยังไงเราจะมาสร้างความรู้สึกตัวสร้างความรู้สึกตัวหนะ่อยเป็นเจ้าบ้านเจ้าเรือนคอยดูแลนะจัดการกับบ้านกับเรือนตัวเองให้อยู่ในความเรียบร้อยอย่าให้เสียหายของที่ไม่ควรเสียก็เสียของที่ไม่ควรหายก็หายแค่นี้อย่างหลวงพไฟบ้านทำมาไหวานไปถามหาเก้าอี้ ที่เขามาทอดกระเทียมติกลายเนี่ยเขาเอ้ตั้งโหลหนึ่งไม่เห็นสักตัวแต่พอออกมารับแขกเมื่อวันทอดกระเทียมอ่าทอดถามหาเงื่อนไขมันอยู่ตรงไหนตัวดูก็บอกเนี่ยเขาเอ้มันก็เหลืออยู่อันหนึ่งมันต่างมูอญดอกให้ไปดูสิมันแบบนี่ยเขาเอ้ที่เราเขามาทอดกระเทียมมันเป็นลักษณะแบบนี้ไปดูสิเขาเอสีเนี่ยไปดู มันก็ไม่มใครมาเยือนหราไม่บ้านป้อมแอมกันนี่แหละมาเยือนกนให้ไปดูตามหาเคื่นมาเอาเคลืนมาจะกให้มันหายไปปีฟีของที่มันจะควรเคืนมาก็ให้มันคือนมาชีวิตของเราก็หวานสนความหลงมันเอาไปฟมันก็ทาให้เราเสียหายมันก็ทรัพย์สินของเราหายไปปี โจร พ, ล, ล, จพล้อยมันลักเอาโจรพล้อยมันลักเอาหวยเอาหามาได้เท่าไรเขาก็เอาไปหมดอ่ามันก็หมดเรี้ยวหมดแหลงหมดเวลาตายเปล่าโบราณท่นานแบบพระอาทำสวดพระเจ้าพระเศษเทโขสัว่าโบลต์ลำฝันเชือกหนังฝันเชือกหนังฝันอยู่นั้น แต่ไม่ไม่ยาวสักทีด้วยจักวันเชือกปะควันเชือกควันมันก็เกี่ยวไรควันมันก็ยาวออกยาวออกราำว่าฟันอยู่ตลอดเวลามันต้องยาวแต่ว่าคำสวนของพระเจ้าเปอร์เซนติโกสันฟันเชือกผู้หลุดฟันเชือกตลอดตีตลอดพบตลอดชาติไม่ยาวสักทีพระพุทเจ้าทรงแสดง เหมือนคนเราถูกอากุสัจธรรมกัดตอนอยู่ตลอดเวลาชีวิตที่ทำความดีก็เอาความหลงเอาไปกินทำดีเถอะเลยความหลงเอาไปกินไม่รู้จักความหลงเช่นชาวบ้านชาวเรือนบางคนหาเงินหาทอง เอาเงินมาเอาไปใช้อะไรเอาไปใช้เที่ยวเตะเล่หลอนกินเหล้าเมายาเอาไปสร้างความหลงเอาเงินนั่นแหละไปสร้างความหลงเอาจ่าเจรงานที่หามาหลังโซฟาหน้าโซลินไปกินเหล้าไปสลบปีหาเงินเพื่อให้ปุลีหาเงินเพื่อให้เหล้า อาจารย์ไวสารว่าเดี๋ยวนี้เงินเงินมันกลัวคนไทยเงินมันชอบคนจีนไปอยู่บางจีนหมดแล้วตอนนี้คนที่หาเงินไปซื้อบุหรี่บุหีมันได้เงินเหมือนชาวนาปลูกข้าวการปลูกข้าวเนี่ยสตมื่อก่อนมันรู้วัวควายเป็นผู้ไถให้แทนว่าอขาจะยกจงควายมันดันคาดดันไถให้ ชานาก็ปลูกข้าวได้สิบยี่สิบ0ามสิบสี่สิบห้าสิบไร่ข้าวเต็มทุ่งเต็มนาแต่ควายมันจะไปกัดกอต้นกล้าชักต้นน่ยกัดไม่ได้เลยทำไมกัดไม่ได้เพราะมันมีเจ้าของเจ้าของของออกควายเป็นคนทำแต่ว่าคนเป็นเจ้าของควายมันกินต้นข้าวไต่เอี้ยวหลวงพ่อก็เคยตีควาย เวลามังกรกินตอนข้าวโอ้ไม่เข็ดตัวไอ้ตี๋่าซอสไอ ห, หนูเนี่ยกล้วยจิ้มยาจิ้มกาน้อยเดียวก็ได้ไล่ตี๋ไอนั่นแหละมันไม่มีมันมันเป็นเจ้าของคนมันไปยืดเอาแรงงานของขวายมาเป็นเจ้าของมาเป็นเจ้าของของตัวมันจะกินข้าวสักน้อยก็ไม่ได้ให้กินไม่ได้เหมือนร่างกายของเรานะ่ ทำงานหลังโซฟาหน้าจะเป็นเล่าเป็นเจ้าของบุรีเป็นเจ้าของเที่ยวเตะเล่นลอนเป็นเจ้าของหาเงินมาใช้เงินใช้น้อมาซื้อยาชกนะ น, น้ำใช้เงินไหน้อมาซื้อยากนะเงินใน้อมาซื้อข้าวกินใช้เงินใชน้อซื้อยาให้บ่อาจจะไม่พูดออกปากแตว่าออกปากไวที่สุดไม่มีเงนซื้อเล่าซื้อยาออกปากไวถ้าฟันะ บูดพ้นเสื้อยาวไม่เป็นเลยเพรตัวห ล, นะ ล, ลงนะั่นแหละนะตัวหลงพอตัวหลงนั้นมันเอาชีวิตเราไปโอ้เสียเปียบมันไม่เพียงเลยเสียเปียบความลงอ๋อขนหัวลุกอะ่ะถ้าจะไปคิดมนเดิมนะขนหัวลุกถ้าจะไปพูดมันเดิมขนหัวลุกเสียดายเวลาที่มันในชีวิตวมันหลงนะ่ะนเสียดายเอาตรงนี้กันเถอะพวกเรา ลอยฟ้าละเลยอย่าประมาทถ้าแค่ตรงนี้ได้ไไปได้สวยไปสวรรค์ น, นิพพานก็ตั้งต้นจากตัวนี้แหละอย่าไปเอาทรัพย์สมบัติเอากลอย่าไปเอาชาติชั้นวันนะอย่าไปเอาเพศเอาวัยอย่าไปเอาความรู้วิชาเปรียบเทียบไม่ได้ต้องต้องอนุบาลตรงนี้ต้องสร้างความรู้จากตัวนี้ นี่วิธีที่เกิดบุญง่ายง่ายอาจจะไม่มีเงินสักบาทแต่ว่าสร้างความรู้สึกตัวในว่ถ้าไม่มีเงินก็อย่าไปเสียอกเสียใจเป็นเรื่องขวางกั้นในการทำความดีถ้ามีเงินก็อย่าไปหลงเงินให้เงินพาเราหลงสิดใจเอาไว้นั่นแหละเงินทองแต่ว่าสร้างความรู้สึกตัว เอาเงินเอาทองเป็นความสะดวกเพื่อให้เกิดความรู้สะดวผู้ไม่มีเงินไม่ทองก็ไม่หาความสะดวกเลยเอาลมหายใจมูนี่แหละเอาชีวิตเรานี่แหละให้มันเกิดความสะดวกสร้างความรูส้สตัวแล้วมันจะเป็นอย่างไรมาพิสูจน์กันดูคำสอนพระพระทุทธเจ้าตรงนี้ไม่ค่อยมีใครพิสูจน์แต่จงอื่นทำกันเยอะแยะเลยสร้างวัดสร้างว่า ทำบุญกระถินผ้าป่าบูดลูกบูดหลานเอาเงินไปใช้อันนึ่งเอาเงินมาใช้เรื่องนี้ลองดูแต่มไม่ค่อยได้ใช่มากะนะมันใช่เรื่องการเจริญเศรษฐีบางทีก็ไม่ต้องใช้เลยก็ได้อเอาตรงนี้กันสร้างตรงนี้กันให้วิธีใดที่เราจะมีความรู้สึกว่าค้นควาให้ังหน่อยลองดู แล้วชีวิตของเราจริงๆก็เพื่อการนี้โดยตรงตรงจริงๆความหลงไม่ใช่ตรงหลงความหลงมันไม่ใช่เรื่องตรงต่อกายต่อใจความรู้สึกตัวนี้เป็นเรื่องตรงต่อกายต่อใจแล้วก็ได้ความชอบเกิดขึ้นทันทีได้ประโยชน์ทันทีเป็นคนทันทีความรู้สึกตัวทันตาอายมพันตา มันจะรู้น้อยหรือรู้มากแล้วแต่การกระทำของเราพอทำเรื่องนี้ให้จุดพิมพ์ ล, ลองดูสดกันดูจะไปทิ้งกว้างไปอยู่ไหนก็ให้มีสติอยู่ที่บ้านอยู่ที่ร่มอยู่ที่ดอนก็ให้มีสติให้รู้จุดตัวนอ ความรู้สึกตัวเนี่ยมันก็จะเกิดวงจรหลายอย่างที่เกิดความดีที่เกิดความดีมาเป็นพวงๆเกิดจากความรู้สึกตัวเกิดจากเรากระทาเนี่ยเป็นอาเิส่งมากแล้วก็ได้ประโยชน์ได้ <c oughs> พึ่งพาอาศัยตื่นนอนหลับตื่นเที่ยงคืนนอนไม่หลับกินไม่ได้อะไรต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นกับเราเราต้องอาศัยตรงนี้แล้วความทุกข์ความหดหภาความเสียอกเสียใจความไม่สบายกายความไม่สบายใจปัญหาเชงใดไม่ได้เชงนั้นการพัดผ่าจากของเราของจอใจ มันจะเกิดขึ้นแน่นอนความเกิดจะเจ็บตายจะต้องเกิดขึ้นแน่นอนเราต้องมีหลักตรงนี้เป็นตัวเฉลยเฉลยไว้ก่อนเฉลยไว้ก่อนรู้ล่วงหน้ารู้ล่วงหน้าแล้วมันก็ทำให้เรารู้แล้วเราก็เฉลยได้แล้วความเกิดก็ทำได้แล้วความแก่ก็ทำได้แล้วความเจ็บก็ทำได้แล้วความตายก็ทำได้แล้ว ความไม่เที่ยงก็เห็นแล้วความเป็นทุกข์ก็เห็นแล้วความไม่ใช่ตัวตนก็เห็นแล้วความไม่สบายกายความไม่สบายใจก็เห็นแล้วความครับแคนใจก็เห็นแล้วอารทัพทากจากของรักของชอบใจก็เห็นแล้วลุยเกล้องไปเลยไม่ไม่มีไม่มีเบื้องหน้าอย่างเรานี้เอาไว้หลังแล้วเนี่ยเอาไว้หลังแล้ว ลุงพ่อได้รับโทรศัพท์เากลัวเขากลัวเจ็บกลัวจะทาไม่เป็นกลัวจะไปตกนรกเขาทำยังไงลุงพ่อหนูกลัวมากกลัวเจ็บกลัวเวลาที่จะตายทาไม่เป็นทาไม่เป็นนั่นก็ยังไม่มาถึงก็กลัวแล้วบางคนความตายยังไม่มาถึงก็กลัวไแล้วความเจ็บยังมาไม่ถึงก็กลัวไปแล้ว มันถึงขนาดนันแล้วนะคนเราเราจะยังไงจะทำยังไงนะต้องวันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่อนาคตเช่นปัจจุบันปฏิบัติทำมันเป็นปัจจุบันมันเลยไปเรื่อยๆมันจะเลยไปเรื่อยๆนะหลวงพ่อก็เคยไปช่วยคนป่วยกับวัดทัดจนั่นไปอบรมอยู่อำเภอลําดวนสุรินทร์ ไอ้คนป่วยเราป่วยอยู่โรงพยาบาลเราก็รู้อะหลวงพ่ออยู่เท่านั้นให้หลวงพ่อมารูหน่อยทำใจไม่เป็นทำใจไม่เป็นทำใจไม่ถูกลืมไปแล้ววพ่อสอนนอนอยู่บเตียงพออ่อกะปเราลดภาไปก็ไปบอกคำเดียวไม่ต้องไปทอะไรอยู่เฉยๆเขาบอกว่าหนูทำใจไม่เป็นลืมมันลืมมันลื ม, ลมทำใจไม่เป็นจะทยังไงจะทำยังไง เอบอกวไม่ต้องทำอะไรอยู่เฉยๆหายใจเข้าลุกศึกหาย ใ, ใจออกรู้สึกก็พอแล้วอยู่ตรงนี้นะเออส า, า, าวกงึกหัวก็ยอมรับเขาก็ทำสบายไม่ดิน้นไม่ลนนี่ต้องทำให้มันเป็นปฏิบัติทำทำให้มันเป็นไม่ใช่ให้มันลุกเป็นการกระทําลงไปที่กายที่ใจของเราความเห็นในถูกต้อง ยอดสุดยอดคือทำความเห็นให้ถูกต้องจะคิดเห็นอะไรก็ถูกต้องจะพูดก็ถูกต้องจะททำก็ถูกต้องเรียกว่าสมมติติเป็นรุ่นอรุณของชีวิตปัญญามาก่อนอภิษฎทันทีความรู้สึกตัวนี่แหละเป็นตัวปัญญากำเนิดของปัญญาความรู้สึกตัวเนี่ยไปกลัวเลยไม่มีเรื่องน่ากลัว ถ้าเราไม่ลูกโอ้ยไม่แต่ภัย ไ, ไม่แต่ภัวาตภัยชิเลตัญหาความโลภความโกรธความหลงความรักความชังความพัดภาคจากของรักของแ ก, ก, ก, กวเกสียอกเสียใจห้ายชีวิตเสียวออกเจียใจเป็นทุกข์เป็นทุกข์เหมอนั่นแ่ะการพัดภาคจากของรั ก, ข อ, รกของเจ้าใจก็ ก็เป็นทุกข์อัตนาเสียงใดไม่ได้เสียงนั่นก็เป็นทุกข์ความไม่สบายตายความไม่สบายใจก็เป็นทุกข์โลกก็เป็นทุกข์เวทนาก็เป็นทุกข์สัญญาเป็นทุกข์สังขารเป็นทุกข์วิญญาณเป็นทุกข์เปลี่ยนไม่ได้เลยมันใหญ่มันยิ่งใหญ่ขนาดนั้นเลยความทุกข์จะเกี่ยวข้องกับมันมาเลยต้องยอมตลอดพบตลอดชาติตู้สักหน่อยมันจะทุกข์จริงๆเลย ลองดูใช่มันจะเป็นยังไงคิดเล่ลองดูสร้างน่ะทำฉัไหนาการทําำเราถูกความทุกข์เราถูกความทุกข์กกอย่างเอาแล้วเรามีความทุกข์เป็นเรื่องหน้าแล้วทําันไหนการทําที่สุดแห่งความทุกข์ทั้งเกณฑ์ น, นี่จะเป็นปรากฏชาติใจเราได้ปุทถิสะล้านตังสมาธิพุท้างเราสวดเมื่อกี้เนี่ยอุทิพ่ตอพระพุทธเจ้าเอาอย่างพระพุทธเจ้าเาินตามรอยพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนอย่างไง เอกโมโหวิสุทธิญาติปัฏฐานเน อ, อปะปัฏฐานสูตรมีกายมีสติจตุสตายตายเราก็มีเราสร้างมัไปตรงไหนปลุเอาไว้แล้วจำเอาไว้จำเอาไว้จำเอาไว้ไม่ทำก็จำเอาไว้รู้ไว้ไม่ใช่บาปแบกถามอา จ, จะเป็นประโยชน์เนะเอาแล้ ว, วันนี้เนาะเาสัวเวลาสจสม า, าน